บุกทูหกสิบเอดชีสต์เอเดนชีสต์เอเดนิำดับเลเดือนแรกคือเดือนมกราคม พรุ่งนี้วันที่1มกราคมเดือนที่สองคือเดือนกุมพาพันธ์วันที่2มกราคมเดือนที่สามคือเดือนมีนาคมวันที่3มกราคม เดือนที่สคือเดือนเมษายน e e เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมเดือนที่หคือเดือนมิถุนายน Шестиот месец е ј у หกเดือนคือครึ่ปีหกเดือนคือครึ่งปี г กราคมกุมภาพันธ์มีนาคมมกราคมกุมภ а พัาันธุ์มีนาคม <Mart. S 2> มเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนมายยูนเดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคมเ me me เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม สิบแปดนือตุลาคม เดือนที่ส e nice e no ิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน edinai septiots m ė เดือนที่สิบสองคือเดือนทันวาคม สิบสองเดือนคือหนึ่งปีกระกระดาษคมสิงหาคมกันยายนต์เซป สบ <September. S 2> ตุนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมอกตุนตุนเดคมออกตุนตุนเดคม